เพื่อเสริมสติปัญญาความรู้ความสามารถในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมะวันนี้ที่จะเอามาฝากท่านก็คือเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้อง อะไรคือความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เช่นยกตัวอย่างความเห็นที่ถูกต้องในทางโลกก็คือโลกนี้กลมโลกนี้ไม่แบนอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องก็ได้รับการพิสูจน์กันแล้วว่า โลกที่เราอยู่กันนี้เป็นเหมือนลูกฟุตบอลกลมเหมือนลูกฟุตบอลแต่สมัยก่อนสมัยก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์มามาสำรวจมายืนยันความจริงคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าโลกนี้แบนการที่มีความเห็นว่าโลกนี้แบนนี้เรียกว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง หรือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงความจริงโลกกลมแต่ไปเห็นว่าเป็นโลกแบนนี่ก็คือความรู้ทางโลกยกตัวอย่างส่วนความรู้ทางธรรมนี้ความเห็นที่ถูกต้องในทางธรรมมีอะไรบ้างก็เห็นว่า นรกมีจริงสวรรค์มีจริงทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ทำบาปได้ไปนรกไปอบายตายแล้วยังต้องไปเกิดต่อไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยพบใหญ่ถ้าสามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิด ได้ก็จะสามารถไปสู่พระนิพพานได้ไปสู่ที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องในทางธรรมที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ส่งคนพบแลนะนาเอาความรู้ความเห็นนี้ มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าได้สรงค้นพบความจริงอันนี้พวกเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายแล้วก็อาจจะไปเกิดในอบายบ้างถ้าได้ทำบาปมากกว่าทำบุญหรือถ้าทำบุญมากกว่าทำบาป ก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆหลังจากที่ได้ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่มาหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกของมนุษย์ก็คือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพะชนิดต่างๆ เราก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันเวลาที่เราอยากได้อะไรบางครั้งถ้าเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ไม่ไม่ไม่ทาบาปเราก็จะใช้การกระทําบาปแทนเพื่อที่ให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้กันบางครั้งเราก็ได้สิ่งต่างๆมากมายมากกว่าที่เราจะเอาไว้ใช้เองได้ เราก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นเราก็ได้ทำบุญบ้างนี่แหละคือสิ่งที่เรามากระทำกันในแต่ละครั้งเรามาเกิดแล้วเราก็มาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆหาโดยวิธีไม่ทำบา บ, บ้างหาโดยวิธีทำบา บ, บ้างแล้วถ้าหามาได้มาก ก็เอาไปทําบุญบ้างนี่คือสเหตุที่ทําไมเราถึงมาทําบุญทําบาปกันแล้วเหตุที่จะทําให้เราทําไมต้องไปเกิดในสวรรค์เนื่อไปเกิดในอบายในอบายก็มีสี่ชนิดด้วยกันไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทําบาลด้วยความหลงไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตก็ ถ้าทำบาปด้วยความโลภถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปดวงเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอาสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมโกรธเกลียดกันก็จะไปนรกกันนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำบาป ลผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําบุญทําความดีต่างๆก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสวรรค์ชั้นเทพบ้างถ้าทําบุญทําทานให้ความสุขแก่ผูด้ด้วยข้าวของเงินทองหรือด้วยการให้ความช่วยเหลือในสิ่งต่างๆที่จําเป็นต่อการดํำรงชีพก็จะได้สะสมเมืองไว้ในใจ ถ้าได้ไปทำบุญระดับที่สูงกว่าหรือได้ไปฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เข้าฌานได้ก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นชั้นพรหมชั้นรูปปภูมและชั้นอรูปปภูมแล้วถ้าได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนวิธีให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการเจริญปัญญา ด้วยการมีสัมมาทิฏฐิด้วยการเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากปัญหาความอยากเรื่องความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆความอยากเสพรูปประชานหรือความอยากจะเสพรูปประชานนี่เป็นสาเหตุที่จะทําให้ดวงวิญญาณจะต้องกลับมาเกิดในภพใดภพหนึ่งถ้าเสพ มีความอยากจะเสงกรรมก็จะมาเกิดในกามมพกามมพบก็คือพบของมนุษย์ของเทวดาของเดรัจฉานของเปรตของสุ ล, ลกายของนรกถ้าเสกรูปประชานก็จะไปเป็นรูปประพรมไปเกิดในรูปประพบถ้าเสบอรูปประชานก็จะไปเกิดในอรู ป, ปรอรูปประพบเป็นอารูปประพรม แต่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะบุญที่ได้ทําไว้หรือบาป ท, ที่ได้ทําไว้เมื่อได้ไปรับผลบุญผลบาปแล้วมันก็จะหมดหมดได้เมื่อหมดจิตที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับจิตที่ไปเกิดในอบายชั้นต่างๆก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกมาเวียนว่ายตายเกิดอีก มาทำบาปทำบุญกันเองถ้าได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้เจอพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าบอกว่าต้องยุติการเสพการยุติการเสพรูปฌานและยุติการเสพรูปฌานตามลําดับขั้นต้นก็ให้ยุติการเสพการด้วยการใช้รูปฌปานหรืออารมูปฌานมาเป็นเครื่องมือ เพราะถ้าไม่มีรูปฌปานหรือรูปฌปานคือสมาธิมาสนับสนุนปัญญาที่เห็นว่าการเสดการามกุณทั้งห้านั้นจะนำพาให้กลับมาเกิดในกรรมมาพบอยู่เรื่อยๆก็ต้องใช้วิธีเข้าสมาธิเป็นการเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากการเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ ก็ไปหาความสุขจากการเข้าสมาธิกันเข้าสู่รูปประฌานหรืออารมูปฌานแทนรูปฌานอารมูปฌานในเบื้องต้นนี้ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการเลิกเศษกรรมกันถ้าไม่มีรูปประฌานหรืออรูปประฌานมาทดแทนการเศษกรรมมคุณหใจก็จะไม่สามารถเลิกเศษการมคุณหได้เพราะเวลาที่ เกิดความอยากที่จะเสพการมาคุณทั้งห้านี้ใ จ, จังมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งน่าจะทนไม่ไหวต่อความอยากและในที่สุดก็จะต้องยอมไปทําตามความอยากต่างๆแต่ถ้ามีเครื่องมือคือมีสมาธิในระดับรูปฌานก็ดีในระดับอรูปฌานก็ดีก็จะ ไม่ทรมานเวลาเกิดความอยากจะเสด็การมเกิดความโกรธเกิดความลำคาญใจเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความว้าเวี่ยเศร้าสรอย่างาเหงาก็สามารถที่จะเข้าสมาธิเพื่อระงับดับความทุกข์เหล่านี้ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะเสดการมมรรทั้งห้านั่นเองต้องมีรูปฌปานหรือรูปฌปานเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการ ที่จะกรรมจัดการมาตัญหาเหตุที่จะพาให้มาเกิดในการมาพบถ้ามีรูปปัจจานเรือรูปปัจจานแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาถ้ายังไม่สามารถใช้ปัญญาวิเคราะห์หาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความอุดหกล็ดลาคาญใจได้ก็หลบเข้าไปในสมาธิก่อนไปสร้างพลังให้กับใจก่อน เมื่อใจออกมาจากสมาธิแล้วใจจะมีพลังคือมีกำลังต่อสู้กับความอยากได้พอพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดขึ้นจากความอยากจะเสืรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็สามารถที่จะหยุดความอยากนั้นได้พอจะเห็นว่าความอยากเสืรูปเสียงกลิ่นลดนี้มันจะนำไปสู่ความอยากที่ไม่รู้จักจบจากสิ้น เสพเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วสิ่งที่เสพก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ยั่งยืนถาวร mm hmm. เวลาอยากบางครั้งอยากจะเสพก็ไม่มีเสพหรือเวลามีแล้วเวลาต้องสูญเสียสิ่งที mm ่มีไป mm hmm. มันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ป mm hmm. ัญญาจะเห็นว่าการมกคุณทั้งห้าเช่นรูปเสียงกลิ ah ่นรสผลสะพานที่ให้ความสุข นั้นสามารถเปลี่ยนเป็นการให้ความทุกข์ได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมมีหน้ายินดีก็มีหน้านารังเกียจมีทั้งสิ่งที่จะทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาและมีทั้งสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาได้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญา เมื่อเห็นว่ากรรมคุณทั้งห้าเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงไม่แน่นอนไม่ใช่จะให้ความสุขเพียงเดียวสามารถเปลี่ยนจากสุขมากลายเป็นทุกข์ได้ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะหยุดความอยากจะไม่เสพได้เพราะการไปเสพก็เท่ากับการไปหาความทุกข์เองไม่ช้าก็เร็ว ตอนเสพใหม่ ๆ, ๆอาจจะได้ความสุขแต่ไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เสพนั้นก็อาจจะหมดไปหรือเปลี่ยนไปพอหมดไปหรือเปลี่ยนไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาแ ล, และด้วยจิตที่สงบด้วยจิตที่มีอุเบกขาที่ได้จากสมาธิ ถ้จิตยังไม่ได้อุเบกขาได้จากสมาธิเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจ จ, ใจจะหดเหงียดใจจะห่อเหี่ยวใจจะไม่มีกําลังที่จะพิจารณาคิดด้วยเหตุด้วยผลได้เพราะถูกอานาจของความอยากนี้คอยผลักดันให้ไปเอาสิ่งที่อยากเพียงอย่างเดียวจนในที่สุดก็จะทนไม่ไหวถ้ายังไม่มีสติสมาธิอุเบกขาเป็นเครื่องมือมาช่วยปัญญา ในการพิจารณาให้เห็นว่าการรมกุณทั้งห้าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่ถ้ามีสมาธิออกจากสมาธิมาจิตยังเย็นยังสงบจิตยังสบายจิตยังมีความเป็นกลางเป็นอเุเบกขาอยู่พอเกิดความอยากก็สามารถพิจารณาเห็นโทษของความอยากได้ทันทีพอเวลาเกิดความอยากในใจขึ้นมานี่ ใจจะกรเพื่อมขึ้นมาทันทีใจจะร้อนขึ้นมาทันทีเวลาที่ออกมาจากสมาธิใหม่ๆเวลาที่ยังไม่มีความอยากนี้ใจจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายแต่พอไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรดเข้าเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บนี่มันทำให้ใจร้อนขึ้นมาทันทีถ้ามีปัญญาก็จะเห็นทันทีเลยว่าอ๋ อ, อความอยากนี่แหละที่มาสร้างความร้อนรนให้กับจิตใจ ความร้อนรนก็คือความทุกข์นี่ความอยู่แบบไม่อิ่มไม่พอความอยู่แบบหิวโหยล้วนเกิดจากความอยากทั้งนั้นเพราะนั้นต้องหยุดความอยากนี้ด้วยการไม่ไปทาตามความอยากด้วยการเห็นโทษของความอยากเองและเห็นโทษของสิ่งที่อยากได้ว่าล้วนเป็นอนิจจ์ล้วนเป็นเหตุของความล้วนเป็นเหตุที่จะนำความทุกข์มาให้กับใจต่อไป พพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยปัญญาแล้วใจก็อยู่เฉยๆไม่ไปทำตามความอยากได้พอไม่ไปทำตามความอยากได้ความอยากนั้นก็ในที่สุดก็จะอ่อนกําลังไปแล้วก็หมดไปเองแล้วก็จะไม่กลับมารบกวนใจต่อไปเพราะทุกครั้งที่จะมาก็จะมีปัญญาคอยเตือนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากอย่าไปเสพรูปเสียงกลิล่นรสผดสะพ้ะ ให้ไปเสพความสุขจากสมาธิแทน mm hmm. เปลี่ยนวิธีการเสพการหาความสุขจากการเสพกรามมาเสพสมาธิแทน mm hmm. โดยในที่สุดก็สามารถเลิกเสพกรมได้ mm hmm. พอเลิกเสพกรามได้แล้วทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาสมาธิที่เป็นเครื่องมือกุอชาญรูปฌปานและรูปฌปานนี้ ก็พิจารณาให้เห็นว่าถึงแม้จะให้ความสุขกับใจที่ดีกว่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าก็ตามแต่มันก็ยังมีมีปัญหาอยู่ตรงที่มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปฌานก็ยังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับเก็บไว้ให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเวลาไม่ได้เรารูปฌานหรือรูปฌานนี้เราต้องเข้าเข้าออกออก เวลาเข้าก็มีความสุขเวลาออกมาก็จะความสุขนั้นก็จะหายไปพอความสุขหายไปเชะก็อยากจะกลับเข้าไปใหม่บางทีก็เข้าได้บางทีก็เข้าไม่ได้เวลาที่เข้าไม่ได้ก็เกิดความหุดหงิดเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาไ ด, ด้ก็ต้องพิจารณาว่าความหงุดหงิดความไม่สบายใจก็เกิดจากความอยากจะเสพรูปประชานหรืออรูปประชานนี่ ก็อย่าไปเสพพิจารณาแบบเดียวกับการพิจารณากรรมคุณห้าละความอยากในกรรมคุณห้าได้ความทุกข์ความกุียดใจที่เกิดจากการอยากเสพกรรมคุณห้าก็จะหายไปฉันใดพอมันเจอความอยากจะเสพรูปประชานหรืออรูปประชานก็ต้องละความอยากนี้ให้ได้ด้วยการให้เห็นว่ารูปประชานหรืออรูปประชานนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะครอบครองให้อยู่กับเราแบบ ย, ยั่งยืนถาวรได้เป็นของที่มาได้ไปได้จเจริญได้เสื่อมได้เหมือนกับการมงคลฮะเมื่อเห็นแล้วก็ใช้ปัญญาหยุดความอยากได้สอนสอนใจอยากไปอยากพอไม่ไปทาตามความอยากไม่เข้าฌานไม่เข้าสมาธิอยู่แบบไม่ต้องเข้าฌานอยู่แบบมีปัญญา คอยสกัดกั้นความอยากก็เพียงพอต่อการทำให้จิตใจอยู่อย่างมีความสุขได้พอความอยากหยุดไปปั๊บนี่ความทุกข์ความโลรธเย็นใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ น, นี่คือการใช้ปัญญาขั้นสุดท้ายในการที่จะกําจัด เหตุที่พาให้ใจ่ายหรือดวงวิญญาณของพวกเรานี้ยังเวียนว่าตายเกิดในอยู่ในตายพบอยู่อยู่ในรูกรามาพบอยู่ในรูประพบและหรืออรูประพบอยู่เพราะเรายังมีความอยากที่จะเสพกามการมวัตันหาความอยากที่จะเสพรูปประฌานความอยากที่จะเสบรูปประฌาน ถ้าเรามีสติปัญญามีสมาธิมีอุเบกขามีปัญญ า, าวิเคราะห์ตามหลักของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะต้องทําให้เรามีความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ทําที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันมีกิดมีดับสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ให้มันดับไม่ได้ถ้าไปยุ่งกับสิ่งที่มีการเกิดมีการดับ ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องทำให้เราทุกข์เวลามันสุขเวลามันเกิดความสุขให้มันก็ดีแต่พอความสุขที่มันให้เราก็ดับไปความทุกข์เข้ามาแทนที่เราก็จะวุ่นวายใจกั น, นต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่จะมีเพียงแต่สุขด้านเดียวมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มาคู่กันกามาคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสผลสะพาน ก็มีสุขแล้วมีทุกข์บางวันเราเห็นรูปเราก็มีความสุขจากรูปที่เราเห็นบางวันก็ไปเห็นรูปที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมารูปเสียงกลธธิ่นรสโผฏฐะม่ใช่เป็นมีไม่ใช่มีความสุขเพียงด้านเดียวมีสุขแล้วมีทุกข์แล้วสลับกันแสดงตนเหมือนกับเหรียญที่มีอยู่สองด้านเหรียญนี่มีทั้งหัวมีทั้งก้อย ชั้นใดสิ่งต่างๆในโลกที่เราเสพกันนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงขีดลดโผฏ ภ, ภมีทั้งสองด้านมีทั้งสุขมีทั้งทุกลาบคือเงินทองเวลาเราได้เงินทองมาเยอะๆเราก็มีความสุขกันแต่เวลาที่เราใช้เงินหมดไปหรือเงินหายไปเงินหมดเงินไม่มีใช้ทกุก็จัเกิดขึ้นทันที ยศหรือตำแหน่งก็เช่นเดียวกันเวลาได้ยื่นขั้นเลื่อนเลื่อนตำแหน่งก็เกิดความสุขใจขึ้นมาพอถูกพอถูกปลดออกจากตำแหน่งพอถูกปลดออกจากยศที่มีอยู่ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีสรรเสริญก็เช่นเดียวกันเวลามีคนสรรเสริญยืนยอก็ดีอกดีใจมีความสุขแต่พอเวลาเขาด่าเราเขาตํำหนิเราเขาประนามเรา นินทาเราความสุขที่ได้จากการสรรเสริญก็หายไปหมดเยอเกิดแต่ความทุกข์ขึ้นมาทันทีรูปเสียงกิีดรถที่เราเสพกันทุกวันนี้ก็เหมือนกันบางวันรูปก็ให้ความสุขกับเราบางวันรูปก็ให้ความทุกข์กับเราบางวันเสียงก็ให้ความสุขกับเราบางวันเสียงก็ให้ความทุกข์กับเราแล้วเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นอนัตตาคําว่านัตตก็คือเป็น ปรากฏการทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศบางวันก็ให้ความสุขกับเราอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปบางวันก็ร้อนขึ้นมากลายเป็นอากาศร้อนขึ้นมาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาบางวันก็น้าท่วมบางวันก็มีพายแรงขึ้น เราควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เหนือความสามารถของพวกเราที่จะไปจัดการให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้คือจัดการใ ห, ให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ให้มันให้ความสุขกับเหล่านี้เราไม่สามารถจัดการได้แต่เราสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการหยุดความอยากของเรา อย่าไปอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสุกไปตลอดต้องรู้ว่าธรรมชาติของมันการรู้ว่าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับนี่เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่ยืนยาวมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์สลับกันไปสลับกันมา เราควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาให้เป็นสุขเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้เจริญอย่างเดียวไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาเสื่อมไม่ได้เมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิในระดับนี้เราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นตามความอยากของเราเราสร้างความอยากขึ้นมาที่เป็นเหตุที่จะทาให้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเรา ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากดินน้ำลมไฟไม่ได้เกิดจากราบยศสารเสริญไม่ได้เกิดจากความเสื่อมหรือความเจริญของสิ่งต่างๆแต่เกิดจากความอยากของเราที่ไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราพอเขาไม่เป็นไปตามความอยากของเราใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาวิธีที่เราจะสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เบื้องต้นเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิก่อนทาใจให้เราวางเฉยให้ได้ก่อน การเข้าสมาธินี้จะทําให้ใจเราปล่อยวางได้ปล่อยวางราบยศสรเสริญปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพราะใจเรามีความสุขจากการอยู่ในความสงบหลังจากที่เราปล่อยวางสิ่งต่างๆราบยศสรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ต้องมาปล่อยวางเครื่องมือปล่อยวางสมาธิปล่อยวางรูปประจานหรืออรูปประจานด้วยความเห็นที่ถูกต้องว่า สิ่งที่มาทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งที่มาทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเราเท่านั้นเองถ้าเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ในใจก็จะหายไปใจก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีความเดือดร้อนใจอยู่กับการเจริญอยู่กับการเสื่อมของราบยศธรรเสริญได้อยู่กับการเจริญ ก, การเสืออสอเเส่อมของรูปฌานและของอรูปฌานได้ถ้าใจมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิ ที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนัตตาเราไม่สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่เป็นอนิจจังไม่ได้เขาต้องเป็นอนิจจังเขาต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราไม่ไปอยากเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเรานั่นเองในที่สุดเราก็ต้องมาหยุดที่ความอยากของเรา ด้วยกำลังของสติปัญญาและสมาธิที่เราได้เจริญมาหลังจากที่เราได้ชำระความทุกข์หมดไปชำระความอยากหมดสิ้นไปจากใจเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ก็หมดมหมดหมดหมด ห, มดหมดน้าที่ไปเราไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้สมาธิมาคอยกำจัดความอยากอีกต่อไปแต่เราก็ยังมีสติมีสมาธิที่เราสามารถใช้มันได้ตามโอกาสตามความต้องการของเราอยู่ แต่เราไม่ไปยึดไปติดกับมันเราอยู่กับมันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เกิดที่ดับได้ที่มาที่ไปได้โดยไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนใจแต่อย่างใดอันนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษาให้มาเรียนรู้กันให้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสือ่อมเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ถ้าเราไปอยากไปควบคุมบังคับเขาเราก็จะทุกข์ใจไปทุกครั้งทุกครั้งที่เราอยากเราจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์ฉะนั้เรามาปฏิบัติธรรมใช้ปัญญามาสอนใจให้เรามองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นฝนจะตกก็อย่าไปอยากให้มันหยุดภัยแงจะมาก็อย่าไปห้ามไม่ให้มันมามันห้ามไม่ได้มันจะมาก็ต้องมาน้ำจะท่วมไม่อยากให้มันไม่ท่วมก็ไม่ได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปห้ามมันก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเป็นไปของมันเองมีเหตุมีปัจจัยทำให้เป็นไปตามที่มันเป็นอยู่ ใจของเราไปวุ่นวายกับเขาเองไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่ที่เขาไม่เป็นนั่นเองเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราทําอะไรไม่ได้เราก็ทําใจวางใจเฉยๆไปหยุดความอยากของเราแล้วใจเราจะเย็นใจของเราจะสงบใจของเราจะมีความสุขท่ามกลางการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ ที่เราจะต้องเรีย น, นศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นวิชาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรู้เรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้ไม่มีใครรู้เหตุของความทุกข์ของใจว่าเกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อมาศึกษาอยู่เรื่อยๆเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ เพราะการฟังครั้งเดียวหนเดียวมันอาจจะไม่พอเพียงต้องฟังอยู่เรื่อยๆพระเจ้าถึงสอนให้เราฟังธรรมอยู่บ่อยๆฟังธรรมตามโอกาสมีเวลาว่างตอนไหนก็ฟังเทศฟังธรรมกันศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วสามารถเอามาใช้หยุดความอยากต่างๆได้เมื่อเราหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ก็จะหมดไปภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไป นี่ก็คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในลําดับต่อไปเราจะได้มาปฏิบัติทรมสร้างเครื่องมือกันเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้หยุดตันหาความอยากข้อแรกคือการมาตันหาให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นมาหาความสุขจากการเข้าสมาธิกัน พราความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธินี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเดึงใจมาให้ไปเข้าสมาธิดีกว่าไปฝึกนั่งสมาธิดีกว่าตอนต้นก็อาจจะรู้สึกยากลาบากน่อยเพราะไม่เคยทำแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปเองเหมือนกับเวลาเราหัดทาอะไรใหม่ๆครั้งแรกเราจะทาให้ค่อยสะดวกไม่ชนานาญ ขัดขี่ขี่จกรยานก็ล้มลุกคลุกคลานไปก่อนขัดว่ายน้ำก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปก่อนแต่ทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาและสามารถทำได้อย่างสบายต่อไปการเข้าสมาธิก็เหมือนกันเริ่มต้นก็อาจจะยากเพราะใจเราไม่ค่อยมีสติใจเราชอบปล่อยให้ใจคิดเลเื่อยเปื่อยการจะเข้าสมาธิได้เราต้องสร้างสติต้องมีสติดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ ผูกใจด้วยสติให้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบอารมณ์ที่กล่อมใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานการนั่งสมาธินี้เป็นการใช้สติและเลืกรู้ให้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นพุทโธพุทโธก็เป็นอารมณ์อย่างหนึง่งดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นลมอย่างหนึง่งหรือถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพุทโธไม่ได้ใจยังฟุ้งยังคิดมากอยู่ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ไปก่อน ส, ว ด, สวดอาหังสัมมาส่วนบนไหนก็ได้แต่สวดไปเรื่อยๆอย่าหยุดสวดไปจนกว่าใจจะหายฟุ้งแล้วสามารถกลับมาดูลมหรือกลับมาอยู่กับพุทโธได้ก็เปลี่ยนมาดูลมหรืออยู่กับพุทโธไปแล้วพยายามผูกใจให้อยู่กับลมอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆในขณะที่นั่งสมาธิอย่าไปสนใจกับอะไรที่เข้ามาแทรกบางทีก็มมีเสียงเข้ามาบางทีก็มีภาพเข้ามาบางทีก็มีอารมณ์เข้ามาบางทีก็มี ความคิดปรุงแต่งเข้ามาไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาอย่าไปสนใจหรือแม้บางทีเกิดความสงบขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเกิดความปิติขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจเรายังไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการคือจุดที่นิ่งสงบเต็มที่ถ้าจุดไปถึงจุดนิ่งสงบเต็มที่แล้วทุกอย่างจะหายไปหมดเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุข ถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆถ้าใช้ลมก็อยู่อยู่กับลมไปถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปนี่คือวิธีนั่งสมาธิแเราต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้เอาไปต่อสู้กับความอยากต่อไปเวลาที่เราออกจากสมาธิไปแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันประมาณ30ประมาณ26นาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้สังเกตวิธีนั่งไว้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งก็นั่งแบบเดิมอีกก็จะสามารถทำให้ใจสงบได้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทาให้มันสงบ แลต่อไปนี้เราจะมาขออ น, นุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปปัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตานสีลิศานิจังุทธาปะจายโน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 เพราะถ้ามาช่วงอื่นเวลาเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ได้ตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook 244้ทาง YouTube พัสสุชาติไลฟ e 290 YouTube Dr. V43 วิทยุออนไลน์5้า u b ับเฮาสนากติ166รวม750ค่ะ คำถามจากทาง Facebook คุณประทีปค่ะในการพิจารณาและกามาตัญหาเราจะเป็นต้องใช้การพิจารณาอาสุภะและปฏิกูลของร่างกายให้มากๆใไหมครับหรือให้เห็นโทษของกามว่าทำไมต้องดิ้นรนแสวงหาสุขที่ได้ก็อ น, นิจจังและมีทุกตามมาแล้วยังต้องมาเกิดอีกทุกอีกแล้วปล่อยวางก็ได้ใช่ไหมครับก็ลองดูสิลองดู อันไหนใช้ได้ก็ใช้อ น, นั้นไปแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเจตลดของคนแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะต้องใช้ต่างวิธีกันแต่ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากจะได้อะไรถ้ายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่ก็ยังอยากได้ค่ะำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณชาตรีสมาธิกับอุเบกขามีความแตกต่างกันอย่างไรครับ และอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอุเบกขาครับก็อุเบกขาสมาธิอุเบกขาเกิดจากการเข้าสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งจิตก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาแต่อุเบกขาก็จะเสื่อมได้หลังจากออกจากสมาธิมาทักพักมันก็จะค่อยๆจางหายไปได้จึงจําเป็นที่จะต้องเข้าสมาธิบ่อยๆเพื่อให้มีอุเบกขาอยู่นานๆเชิญถามได้ ใจลูกช่วงนี้ว่างแต่ว่างของลูกก็ยังไม่ได้สงบจากกิเลสจริงอะเจ้าค่ะในการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะก็ต้องอย่าไปทําตามกิเลสทำอย่างจะว่างจริงให้ความอยากให้กิเลสหมดไปจากใจมันก็จะว่างอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่ากิเลสเป็นทุกข์สิ่งที่กิเลสอยากได้ก็เป็นทุกข์ งั้นอย่าไปอยากได้อะไรอยู่กับความไม่มีดีกว่าอยู่กับความว่างออลูกลูกเข้าใจในส่วนที่พระอาจารย์สอนเจ้าคะ่ะแต่แต่จิตมันยังไม่เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะเพราะสมาธิยังมีน้อยต้องฝึกสมาธิบ่อยๆให้เข้าสมาธิได้ทั้งวันด้วยรืญสติสติก็คุมจิตให้สงบให้เข้าสมาธิล้วอยู่ในความสงบได้ทั้งวัน แล้วค่อยใช้ปัญญาสอนใจเวลาเกิดความอยากว่าอย่าไปทําตามความอยากความอยากเป็นตัวทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายถ้าจิตเคลื่อนออกจากฐานหรือเจ้าคะมันมันอยากมันแปลว่ามันอยากเลยเจ้าคะก็บางทีมันก็อยากบางทีก็ไม่อยากได้เหมือนกันเวลาอยากก็ต้องหยุดมันกราบกราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะ คำถามจากทาง a ฟ e b o o k จากคุณลูกรักยมพบาลค่ะเรามีอุบายไหนที่จะกำจัดกิเลสในการทําความเพียรได้ไหมเจ้าคะก็อุบายที่พทธเจ้าทรงสอนใ ห, ใ, หให้พยายามทำบ่อยๆทำมากๆอย่าไปตามใจกิเลสกิเลสนำไปสู่ความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องต่อสู้กับกิเลส คำถามจากคุณของชำร่วยค่ะลูกอยากสอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นลูกขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาข้างนอกในขณะนั้นเห็นตำรวจอยู่ตรงสี่แยกตามองเห็นตำรวจเกิดความกลัวหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวในขณะนั้นถ้ารู้เจริญสติรู้ว่ากำลังกลัวอยู่รู้ว่าใจเต้นแรงสติจะช่วยให้ร่างกายของลูกหรือความกลัวของลูกลดน้อยลง พอรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราในตัวของเราใช่ไหมเจ้าคะและเราสามารถใช้มันกับทุกๆเรื่องไม่ว่าความโกรธเกิดขึ้นรู้เท่าทันเจริญสติรู้ทันทุกอย่างอยากขอสอบถามการรู้เท่าทันสติแบบที่ลูกยกตัวอย่างนี้จะช่วยให้กิเลสในตัวเราเบาบางลงแบบที่ลูกยกตัวอย่างมาถูกต้องไหมเจ้าคะมันก็เบาบางแบบชั่วคราว สตินี้ไม่สามารถกำจัด ก, กิเลสให้หมดไปได้ต้องใช้ปัญญาแต่ถ้าต้องมีสติก่อนหยุดด้ว ย, วยกิเลหสหยุดกิเลสด้วยสติก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นว่ากิเลสเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์เราอย่าไปทาตามกิเลสต่อไปกิเลสก็จะหมดไปจากใจคำถามจากทาง Youtube ค่ะทำอย่างไรจะปฏิบัติได้ผลเร็ว ทำทุกวันเนีทำทุกวันยอะไม่ต้องทาอะไรแล้วเราออกจากงานไปอยู่วัดไปอยู่ที่วิเวกปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิปัญญาสลับกันไปแล้วเดี๋ยวก็บรรลุได้พระเจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีคำถามหมดค่ะความเพียรเป็นสิ่งสำคัญความเพียรพยายามที่มีธรรมะ คำที่ธรรมะพูดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร <บ Montgomery. S 1> ไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความอยากอยากให้พ้นทุกข์แต่ถ้าไม่ไม่ทำความเพียรก็หลุดพ้นไม่ได้เพราะอยากหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นเหตุเป็นต้นเหตุให้เราทําความเพียรถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องขยันทำทำความเพียรเพียรเจริญสติเพียร น, น, น, นั่งสมาธิเ <บ indo S 1> พียรเจริญปัญญาตามลําดับไม่ได้ทําทีเดียวพร้อมกัน อันต้นก็เพียงสร้างสติให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิจิตก็จะไม่สงบฉะนั้นจเจริญสติทั้งวันเดินเดินเดินยืนนั่งนอนให้มีสติอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออยู่กับ ก, บการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วเวลามีเวลาว่าก็นั่งสมาธินั่งให้จิตรวมเป็นอุเบกขาให้เป็นสมาธิเป็นรูปฌานหรือเป็นอรูปฌานทําอย่างนี้สลับออกออกจากสมาธิก็มาจเจริญสติอีก แล้ว ก, กลับไปนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเราแค่สองอย่างก่อนสติกับสมาธิจนเราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายได้แ ล, ล้วรวดเร็วทุกครั้งแล้วหลังจากนั้นพอจากสมาธิมาก็มาพิจารณาปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ทุกพ่อมไม่เที่ยงทุกพ่อมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้และความอยากก็เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายถ้าไม่อยากวุ่นวายใจ ก็ต้องหยุดความอยากหยุดด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปก็จะหยุดความอยากทั้งหมดได้ยังไม่มีอามาลแล้วเจ้าค่ะคำถามจากทางเฟ e b ุ o k คุณปนวิทย์ถ้าเป็นคนที่ชอบคิดมากแพนิกรู้ว่าจิตปรุงแต่งกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่พยายามรู้ทัน บางทีรู้ทันแล้วแต่ยังคิดมากทําให้กลัวกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดพยายามโฟกัสทั้งลมหายใจบางทีในกลัวในสิ่งที่คิดกราบขอบความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับการดูลมหายใจนี่อาจจะยากต่อการทําให้จิตหยุดคิดถ้าคิดมากก็ลองใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธจะดีกว่าพยายามพุโทโธไว้ทั้งวันเลยฝึกซ้อมพุโทโธไปเรื่อยๆคุมความคิดตั้งแตยังไม่ยังไม่เริ่มคิด ถ้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความคิดมันจะไม่รุนแรงมันจะไม่สร้างความแพนิคขึ้นมาถ้าปล่อยมันคิดไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็จะเกิดแพนิคขึ้นมาได้จิตเรานี่มันชอบคิดแล้วคิดแล้วก็ไปคิดเรื่องที่มันทําให้เราวิตกกังวลคิดถึงเรื่องที่ไม่แน่นอนคิดถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเช่นเป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นอะไรบ้างขึ้นมา ทั้งที่มันยังไม่เป็นเลยคิดไปก่อนนะออถ้าจะคิดว่าเจ้าบอกให้คิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เ, ออเวลาเวลากลัวอะไรก็ให้ใช้คาถานี้กลัวตายก็ให้พิจารณาพระเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ออออคิดไปทั้งวันต่อไปมันจะไม่กล้าคิดว่า มันจะไม่กล้าคิดถึงเรื่องความตายมันจะไม่กลัวนะมันจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมันรู้ว่าทํายังไงก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนทําอย่างไรก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคน <S <S คิด บ, บ่อยๆแล้วต่อไปจะหายวิกตกกังวลกับอนาคตเพราะทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครยกเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ใจของพระพุทธเจ้าอันนี้ชั้นไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาย พอะใจท่านยอมรับยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเราไม่ยอมรับเราจะทุกข์ถ้าเรายอมรับเราจะไม่ทุกข์คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะจากคุณของชารวยการทาจิตเป็นอุเบกขาต้องทําถึงขั้นฌานสี่ถึงเป็นได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ตั้งแต่ฌานสี่ขึ้นไปรูประชานแล้วก็รูประชานก็จะเป็นอุเบกขาตลอดเวละ ยิ่งอยู่ในความสงบได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอุเบกขามากเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ของมือถือเราเนี้่ยถ้าชาร์จนานไฟมันก็จะบรรจุอยู่นานอยู่มากถ้าชาร์จน้อยชาร์จไม่นานมันก็ไฟก็จะอยู่ในในแบตเตอรี่ได้น้อยเห็นเราต้องชาร์จให้มันเต็มแล้วพอออกมากว่าจะหมดมันก็ต้องใช้เวลานา น, านอุเบกขาก็เป็นแบบไฟในแบตเตอรี่นี่พอชาร์จนานๆให้มันเต็มร้อยพอออกมา ใจก็จะเย็นไปได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วพอเริ่มร้อนขึ้นมาเริ่มหายไปก็แสดงว่าแบดหมดแล้วก็กลับเข้าไปชาร์ใหม่เข้าสมาธิใหม่สลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนลองสติกับการนั่งสมาธิจนมีสติที่ต่อเ น, นื่องที่เอาเป็นสัมปชัญญะไม่เผลอไม่ลืมสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่นั่ง สามาเข้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแสดงว่าเรามีความชำนาญในสมาธิแล้วแล้วเราค่อยออกมาถ้าเราออกจากสมาธิมาเราค่อยใช้ปัญญาสอนใจให้คอยสกัดกั้นความอยากต่างๆให้เห็นว่าความอยากเป็นตัวที่ทําให้ใจกระเพื่มทําให้ใจวุน่นวายแล้วสิ่งที่ความอยากต้องการก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เทีย่ยงให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็มันจะหยุดความอยากต่างๆได้ คำถามจากทาง Facebook จากคุณนัทกรค่ะทำสติก็คือใจจดจ่ออยู่สิ่งที่เราจดจ่ออย่างเดียวถูกต้องไหมครับใช่ให้มีจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเช่นคำปฏิการพุโทโธพุธโทโธหรือถ้าเราทํางานก็จดจ่ออยู่กับงานที่เราทําอยู่อาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ํากินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวแต่งเนื้อแ ต, ต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแ ต, ต่งตัวอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ ถ้าเวลามานั่งก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็ได้คำถามจากคุณอากาลิโกพอดีต้องย้ายที่อยู่กระทันหันหมาแมวที่เลี้ยงไม่สามารถนำไปได้เกิดความรู้สึกผิดควรวางใจอย่างไรครับพระพุทธเจ้าสอนให้คิจาราว่าเรามีการพลาดพลากจากการเป็นธรรมดาไช้าก็เร็วเนี่ยพวกเราที่มาเจอกันรู้จักกันนี่ก็ต้องแยกทางกันไปคนละทาง ไม่ ว, ว่าจะเป็นใครก็ตามเพื่อนเราก็ดีญาติสนิทมิสหานก็ดีบิดามารดาก็ดีลูกหลานก็ดีสามีภรรยาก็ดีในที่สุดก็ต้องมีการพัดพักจากการเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงเรายังอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆคำถามจากคุณของชมร่วยค่ะ ในขณะที่รูปปฏิบตัติจนได้กําลังฌานสูงขึ้นหากเจออะไรควรมาปรึกษาพระอาจารย์ไม่ควรทําเองเพราะอาจจะทําผิดทางได้ใช่ไหมเจ้าคะก็พยายามใช้ปัญญาของเราจะดีกว่านอกจากว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรติดขัดค่อยๆมาปรึกษาได้แต่โดยหลักแล้วต้องพยายามเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้เพราะถ้ามัวแต่ไปคอยพึ่งอาจารย์อยู่เรื่อยเดี๋ยเกิดอาจารย์ตายไปแล้วจะไปพึ่งใคร แต่ถ้ามันติดขัดจริงๆมันก็ไปเพิ่งได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่ทุกครั้งไปนึกอย่างไรก็อาจารย์อาจารย์ต้องเพิ่งตัวเองให้ได้ก่อนแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้ด้วยตัวเองก่อนถ้าแก้ไม่ได้จริงๆแล้วค่อยไปปรึกษาอาจารย์หนึ่งทีก่อนคําถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณทิพย์ต้องทํางานและอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันเปรียบเทียบเราควรวางใจอย่างไร ก็แข่งขันไปที่โรงศพนั่นแหะจะไปแข่งขันไปที่ไหนกันพอเราที่สุดไปไหนกันล่ะใช่ไหมไปแย่งกันไปถึงทะเลาะกันวิวาสกันแล้วมันจะไปไหนกันล่ะมันก็ไปเจอกันที่โรงศพนั่นแหะแล้วมีใครไปที่ไหนกันหรอกให้คิดถึงความตายบ้างแล้วความโลภความอยากต่างๆมันจะได้เบาบางลงทุกวันที่หลงกันลืมลืมลืมตายกันที่ว่าจะอยู่กันไปตลอดต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้อยู่กับตัวเองไปตลอด แต่ว่าถึงความตายเพราะมันชะ ง, งักเลยนีเย่เราจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเราจะเอาอะไรไป เ, รเอาอะไรไปไม่ได้เลยทั้องอย่างมาบ้าแข่งกันแย่งกันทําไมสู้อยู่แบบสบายสบายไม่ดีกว่าไหยพอมีพอกินก็ใช้ได้แล้วอยู่แบบไม่ต้องดิ้นรนดีกว่าคําถามจากผู้แม่ประสงค์ออกนามค่ะพระโสดาสมาธิต้องอยู่ในยานไหนเจ้าคะ เรทุกขั้นต้องมีต้องผ่านรูปฌานให้ได้ก่อนต้องมีสมาธิระดับอุเบกขาให้ได้ก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาเพื่อมันรู้เป็นพระโสดาบันพระสะกิทาคาพผ้านาคามีและผ้าฐานได้ต้องมีสมาธิระดับอุเบกขาเป็นผู้สนับสนุนแต่ปัญญาแต่ระดับมันไม่เหมือนกันคำถามหมดจังเลยโอเค มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ขอยุติการสนทนาทำไว้เพียงครั้งนี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ